สติสัมปชัญญะต้องตื่นอยู่เสมอหลวงปู่แหวนสุจินโนเสียงอ่านโดยปารเมศจิตติกิรวัตหลวงปู่แหวนสุจินโนเล่าถึงการปฏิบัติทางจิตว่าเป็นของที่ละเอียดอ่อนมากสติสัมปชัญญะต้องตื่นอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะตามไม่ทันจิตจิตเป็นธรรมชาติชอบคิดชอบปรุง ชอบแส่สายไปหาอารมณ์จากที่ใกล้ที่ไกลไม่มีขอบเขตถ้าอยู่ในที่ชุมชนอารมณ์ที่เข้ามานั้นส่วนมากจะเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างการต้อนรับอารมณ์ของจิตมักจะนำมาแบกมาหาบมาหามมาทับมาถมตัวเองการที่จะสลัดตัดวางนั้นไม่ค่อยปรากฏ เพราะเหตุนั้นจึงทําให้เราเป็นทุ ก, กข์ไปกับอารมณ์นั้นๆเป็นสุขไปกับอารมณ์นั้นๆเป็นความเพลิดเพลินไปกับอารมณ์นั้นๆทั้งนี้ก็เพราะขาดการพิจารณาของจิตนั่นเองจิตที่ไม่มีสติเป็นพี่เลี้ยงคอยควบคุมคอยแนะนํามักจะไปแดกไปหามไปหาบเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาทับมาถมตนเองให้เกิดทุกข์ถึงกับบางคน ตีอกชกตนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่ารื่นรมกลายเป็นพิษเป็นภัยไปก็มากส่วนอารมณ์ของนักปฏิบัติผู้อยู่ในป่านั้นมักเกิดขึ้นกับจิตที่ชอบปรุงแต่งเป็นอดีตเป็นอนาคตซึ่งอารมณ์ประเภทนี้ทําลายนักปฏิบัติมามากต่อมากแล้วเพราะไม่รู้เท่าทันกลอนนันยาของจิตเหตุเพราะขาดสติปัญญานั่นเอง ดังนั้นการปฏิบัติจิตภาวนาจำเป็นต้องตื่นอยู่เสมออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้าออกตามทวารต่างๆนั้นต้องได้รับการไข้ควรพิจารณาจ่ายสติสมัมปชัญญะเสียก่อนทุกครั้งเทศของหลวงปู่แหวนสุจิโนโนณนะวัดดอยแม่ปังกันที่หนึ่งถามหลวงปู่มีอะไรจะแนะนำ ในเรื่องการปฏิบัติทางจิตบ้างครับตอบจะเอาทางจิตทางใจก็แปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์นี่มันที่ใจอย่างเดียวรักษาแต่ใจอย่างเดียวให้แน่นหนารักษาแต่ใจอย่างเดียวตลอดชีวิตรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทสิรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์นี้เป็นเบื้องต้นเวลาอยู่ในคนหมู่มาก ได้พูดกับคนหมู่มากบางทีก็จะลืมตัวไปจงมองเข้าไปดูใจนี้ใจนี้เป็นใหญ่คุมกายกรรมวัจีกรรมให้รู้เข้ามาในกายให้มองมาดูใจนี่แหละเอาใจนี้เป็นผู้รู้ใจนี้เองนั่นแหละเป็นผู้หลงใจนี้แหละเป็นผู้ละปฏิบัติกายวาจาใจนี้ให้เรียบร้อยกายนี้ก็ออกไปจากใจนี่แหละให้พิจารณา ใจนี้เขาก็ไม่เที่ยงใจนี้เขาก็ไม่เที่ยงแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ชี้เข้ามาที่ใจนี่แหละใจนี้เป็นเหตุให้ใจนี้ละให้ใจนี้วางให้ใจนี้ถอนถอนทุกสิ่งทุกอย่างหมดมันจึงจะได้ถอนทีแรกก็เอาใจนี่แหละถอนถอนอยู่ที่ใจนี้ละอยู่ที่ใจนี้วางอยู่ที่ใจนี้ให้ใจนี้รักษา ต้องรักษาตารักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายวาจานี้แหละรูปมาทางตานี่ก็นึกที่ใจพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีก็ที่ใจนี่แหละเอาศีน้ำออกมาให้หมดจากใจของตนลักออกจากใจนี่แหละเอาใจนี่วางเอาใจนี่ถอนมันให้หมดเวลาไปหาหมู่มาก พูดไปพูดมาแล้วก็หลงมันหลงไหลอยู่เท่านั้นแหละต้องน้องเข้ามาที่ใจของตนสิ่งใดก็ตามเถอะให้น้อมเข้ามาสู่ใจแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์ก็ชี้เข้ามาที่ใจของตนอุปชายะสอนก็สอ น, ขอสอนเข้ามาถึงกายนี้แหละเกสาโลมาณขาทันตาตักโจปันจกกักกรรมฐานกายคาตากรรมฐานฐานที่ตั้งของกายนี้แหละ กายเขาไม่รู้แจ้งจะรู้แจ้งก็รู้แจ้งที่ใจนี่แหละเอาใจละสิ่งทั้งหลายที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาทางตาที่พอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีมาทางหูที่พอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีมาทางจมูกทางลิ้นทางกายที่พอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดีเอาสีนี้แหละนำออกเสียด้วยปัญญาของตนออกไปจากใจนี้ใจเป็นผู้รู้ผู้ละผู้ถอนผู้วางรับเอาทุกเรื่องก็ไม่ไหวละมันเป็นทมเมาทั้งนั้นแหละเรื่องอดีตอนาคตก็ใช้ปัญญานำออกให้หมดตัดอดีตอนาคตหมดอย่าให้เหลืออดีตอนาคตมันมาตั้งแต่เด็กํามัน ตัดอดีตอนาคตออกแล้วให้จิตนิ่งอยู่กับปัจจุบันเดินอยู่กับปัจจุบันว่างอยู่กับปัจจุบันวางอยู่กับปัจจุบันมันจึงเป็นพุโทโธมันจึงเป็นธรรมโมสังโฆอยู่นี่แหละมัวเอาที่อื่นก็ไม่ไหวละรักษาตารักษาจมูกรักษาลิน้นรักษาหูรักษากายใจให้ตลอดเวลาพบคนมาก มันก็ต้องมีหลายสิ่งหลายประการพูดอยู่ก็ต้องน้อมเข้ามาหาใจมากำหนดให้รู้ใจของตนอุปาทานทั้งห้ามันเกิดมาจากใจนี่แหละอ น, นิจจังทัง้งห้ามันก็เกิดมาจากใจนี่แหละเหตุ <c oughs> มันก็เกิดมาจากใจนี่แหละทุกขังทั้งห้าก็ดีอรัตตาทั้งห้าก็ดีนิจจังทั้งห้าก็ดีมันเป็นนิจจังมันอยู่คงที่มันเที่ยงอยู่ อนัตตาทั้งห้ามันวางหมดแล้วทีนี้มันเป็นอัตตาตั้งอยู่ภายในหยึดเรื่อยไปก็เป็นอัตตาแต่อศัยอนัตตาอยู่เพราะว่าไปพิจารณาอยู่อุปชาสอนก็ชี้ลงที่กายนี้เสียก่อนเกสาโลมานะขาทันตาตาโจนึกถึงปัญจกรรมฐานกายขตากรรมฐานเวลาได้โอกาส ก็ให้นั่งทำความสงบทุกมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดที่นี่ที่ใจนี่แหละเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวก็เกิดขึ้นกำหนดทุกเข้าจนรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุว่ามันนำทุกมาให้เขเวยเหตุ ด, ดับทุกดับปัจจัยของเราก็ดับเอวิชาความมืดก็ดับนี่แหละให้ตั้งมั่นใจรักษาศีลก็บัญจัิลงที่ใจนี่แหละ สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีบัญญัติลงที่ใายในใจนี้แหละสองอย่างเท่านี้แหละรู้ทางกายก็วางไว้หมดรู้ทางกายก็ชวนเข้ามาที่ใจนี้แปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์รู้ที่ใจนี้แหละใจจริงเป็นเหตุก็เอาใจนี่แหละละก็เอาใจนี่แหละถอนเอาใจนี่แหละวางวางอยู่ที่ใจนี่แหละมันจึงจะใช้ได้ ถ้าไปเอาอันอื่นมาล่ะมันใช้ไม่ได้หรอกที่อุปชาสอนก็สอนที่ใจนี้ดีสงบก็สงบที่กายนี้ดีสงบก็ที่ใจนี้คิดดีก็ที่ใจนี้คิดชั่วก็ที่ใจนี้ดูๆไปมันก็ได้กำลังนะเอาเข้าเอาเข้ามันก็ได้กำลังเบิกยารู้แจ้งเห็นจริงผู้ปฏิบัติน้อมเข้ามาปฏิบัติกายวาจาใจ ธรรมะเกิดขึ้นในดวงใจนี้เวทนาคือตัวกรรมไม่ใช่มีกับเราเท่านั้นเวทนาคือตัวกรรมบุญเวทนาคือตัวกรรมบาปน้อมเข้ามาที่นี่จนถึงอัพยากตธรรมทางนี้ไม่มีกิเลสนาอัพยากตธรรมเป็นฐานน้อมเข้ามาที่นี่พูดมากคุยมากมันก็มากไปจงหยุดน้อมเข้ามาในใจเสียก่อนเดี๋ยวจะลืมไป เอาแค่นี้ก็อยู่ได้เอามามากมายก็จะทุกข์ใจนี่มันคิดใจนี่มันทุกข์ตัดออกให้หมดไม่คิดไม่นึกเมื่อไม่คิดจิตของเราก็ตั้งอยู่เป็นปกติไม่ได้ไปที่ไหนรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณ์ทั้งห้านำออกมาหมักหมมไว้ในใจให้เขาผ่านไปไม่เก็บเข้ามาใจก็เป็นปกติไม่ไปที่ไหน ตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นปกติรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นธรรมดาโลกนะดีเขาก็ว่าชั่วเขาก็ว่าร้ายเขาก็ว่าก็มีอยู่อย่างนี้แหละรักษาจิตให้ดีทำทุกวันเวลาได้โอกาสพักผ่อนให้ทำไปทำให้มากมันก็ทำจิตให้เบิก บ, บานผ่องใสถาม การที่จะรักษาความสงบควรทำแบบไหนครับตอบให้ใจนี้ละอันใดที่ยังคงขัดข้องอยู่ในใจนี้ให้ละจารโครปฏิณิษฐโคสละคืนเสียให้เขาเสียของเราก็มีอยู่ความโลภความโกรธความหลงของเราก็มีครบอยู่ชั่วก็มีดีก็มีเวทนาก็มี อะไรก็มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องเอาของเขามันก็วางได้มันก็จาโคปฏินิสโคสละกคืนให้หมดเอาออกจากใจให้หมดหาอุบายถอนออกจากใจนี่อย่าให้มันหมักหมมอยู่มันเป็นทุกข์ถามจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเคยเป็นอะไรมาแต่ชาติก่อนก่อนตอบ อันนั้นมันวิชาจารณะสัมปันโนต้องพร้อมด้วยวิชาสามมีบุเพสันนิวาสานุสติญาณเหมือนครูอาจารย์มั่นท่านศึกษาจนรู้ดีว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิมานีได้กี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยหรือพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้แล้วสาวเข้าสาวเข้าก็ถึงวันที่ตั้งความสัตย์ปรารถนาพุทธภูมิแต่ที่ตายตายเกิดเกิดนี่ก็หล ตายก็เพราะกามเกิดก็เพราะกามทุกข์ก็เพราะกามสุขก็เพราะกามท่านมองดูชั้นฟ้าท้องฟ้าจนจดพุทธภูมิพุทโธเราจะมาตายมาเกิดอย่างไม่มีกำหนดอีกแล้วจากนั้นท่านก็เร่งความเพียรจนตีสองก็ได้วิชาสองคือจุตูปปาตยานรู้ว่าสัตว์พบนี้ดับที่ไหนไปเกิดที่โน่นพบโน่นดับที่โน่น ดับที่นี่ไปเกิดที่นูน่นดับที่นู่นไปเกิดที่นั่นอันนี้จูตูปปาตยานอาสาวะพยญาณวิชาชั้นสามรู้จักกิเลส ข, ของตวนว่าสิ้นไปหมดไปกิเลส ข, ของกายวาจาสิ้นไปหมดไปกิเลส ข, ของใจเราสิ้นไปหมดไปเรามีกรรมเป็นอันขาดมีกรรมอันไม่งอกแล้วจิตดวงหลังดับไปอยู่แล้วอาศัยกําลังทั้งห้า คือกำลังศรัทธากำลังความเพียรกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาให้รู้แจ้งชัตวานเพื่อดับขันธปริมิพานเราไม่ยินดีจะก่อพบใหม่อีกก็หมดเรื่องไปถามหลวงปู่มีอะไรเกี่ยวข้องกับใครบ้างไหมตอบนิมิตต่างๆมันต้องศึกษา พอรู้เท่าแล้วก็วางวางเข้าไปเล่นวนอยู่ก็เป็นธรรมเมาะ่ะประเทศชาตินี่ก็อาศัยคนมากจะตั้งทางไหนก็ตั้งอยู่กับความยุติธรรมจะตั้งทางไหนก็มันทำปฏิบัติไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรเบียดเบียนละ่ะก็น้อมเข้ามาหาใจให้มันสงบก็สบายเท่านั้นแหละให้รู้อยู่กับปัจจุบันนี่ละ่ะมันจึงเป็นพุทธโธธรรมโมสังโฆทำอยู่แค่นี้ก็พอละ ความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นกงจักรกงจักรมันบทสัตว์ความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของจริงเมื่อเรายังมีภพมีชาติอยู่เวลาหยุดพักผ่อนก็ให้ทำความสงบทันทีปฏิบัติที่ใจนี้คนมันมากพูดกับคนนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งกับคนโน้นก็เป็นอย่างหนึ่งมันไม่ลงรอยกันสักทีอายุสังขารของเรา มันก็เต็มที่แล้ววันคืนเดือนปีมันก็สิ้นไปหมดไปเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามก็ต้องหมั่นที่จิตของเราไปเรื่อยๆเวลาธาตุทั้งสี่ขันดทั้งห้าจะพลาดจากกันดินก็ไปเป็นดินของเก่าน้าก็ไปเป็นน้ำของเก่าไฟมันก็ไปเป็นไฟของเก่าลมก็ไปเป็นลมของเก่าธาตุอากาศมันก็วางไว้อย่างเก่านั่นแหละเหลือแต่ใจ ดินก็ไม่ใช่ใจน้ำก็ไม่ใช่ใจไฟก็ไม่ใช่ใจลมก็ไม่ใช่ใจแต่เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละนี่มันก็เป็นสมบัติของบิดามารดานักกับโมมีแหละสมบัติของดีจะไปตั้งศีลก็อาศัยสมบัติของบิดามารดาปู่ย่าตายายนี่แหละเวลาจะทำบุญสุนทานก็อาศัยสมบัติของบิดามารดาเป็นที่ตั้งจะเล่าเรียนวิชาของโลก มันก็เอาสมบัติของบิดามารดานี่แหละเป็นที่ตั้งถามทำไมคนบางคนอยากจะทำชั่วทำไมคนบางคนอยากจะทำดีคนทำชั่วก็ไม่มีโอกาสทำความดีเพราะคิดแต่จะทำชั่วตอบมันเป็นเพราะกรรมนั่นแหละเจตนามันก็กรรมนั่นแหละเจตนาเป็นตัวกรรมบุญ เจตนาเป็นตัวกรรมบาปเจตนาทั้งนั้นแหละทั้งสองอย่างนี้เจตนาหังอภิคาวีวะถามิพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจตนานี้เป็นตัวกรรมกรรมดีกรรมชั่วเจตนาที่เป็นกรรมบุญตัวอย่างเช่นเจตนาที่จะรักษาศีลวันนี้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและจะรักษาใจให้ผ่องใสทําความพอมีขันติ มีความอดทนทั้งกายและใจอดีตอนาคตไม่เกี่ยวข้องอตีตาทำเมาอนาคตาทำเมาถามคนที่ทำชั่วก็ต้องตกนรกไปเรื่อยเขาจะมีทางแก้ตัวไหมตอบไม่มีหรอกทำกรรมด้วยกายวาจาใจไวแล้วเจตนาค่าสัตว์ก็ดี เจตนารักทรัพย์ก็ดีเจตนาทุกอย่างแหละมันมีกรรมมากเจตนามันเป็นกรรมชั่วเจตนาหังพิค เ, เวทเทวามิพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเจตนานี้เป็นตัวกรรมให้เจตนาเป็นกรรมบุญให้ตั้งอยู่ในเจตนาที่จะรักษากายให้จริงกายจริงวาจาจริงใจนี่ไม่ให้มันฟุ้งซ่านน้ำมันคานไป ทำความพอหมดตาก็เป็นปกติอยู่แล้วหูจมูกลิ้นกายก็เป็นปกติอยู่แล้วใจก็เป็นปกติอยู่แล้วใจไม่ได้ไปที่ไหนใจบริสุทธิ์นี่ตั้งอยู่เป็นปกติไม่ไปที่ไหนดอกมีแต่สัญญานี่ไปจำเอาเอามาหมักหมมไว้ที่ใจดอกใจนี่มันก็เดือดร้อนเท่านั้นเดี๋ยวก็สะคุบนูน่นสะคุบนี่เดี๋ยวก็ง่วงเหงาหานอนเจ็บหลังเจ็บแข้งเจ็บขา เอาหลักที่เกียดแล้วจะนอนก็นอนเสียหลับมาทุกวันทุกวันแล้วจะขึ้นรถหรือขึ้นเรือบินขึ้นคอปเตอร์หรือรถเรือทุกชนิดก็ให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกครั้งนั่งไปเรื่อยๆไม่ได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หากไปฝ่าอันตรายเข้าก็หายใจและกลักวอันตรายให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรารณะขออนุภาพจกเก้าปลกกระหมอ่อม ให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายให้ไปเป็นสุขถึงรถจะไปคว่ำลงหรือชนกันก็บอกเป็นหยั่งดอกมีคนหนึ่งขึ้นเครื่องบินไปชายแดนเครื่องบินไฟไหม้ตกลงคนตายหมดคนนั้นรอดผู้เดียวเขานั่งเครื่องตกสามเที่ยวแล้วยังไม่เป็นอันตรายสักทีอู้คิดถึงหลวงปู่เขาว่าถามหลวงปู่ให้ละวางให้หมด อย่างบางคนเรารักเขาแล้วก็ลักวางอย่างนี้เรียกว่าใจร้ายไหมตอบจะนำมาหลายสิ่งมันเลยรกมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละสี่ห้าก็ประจำอยู่ที่นี่ขาสองแขนสองหัวหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสทำมารมทั้งห้านี่เราปล่อยให้เขาผ่านมาผ่านไปผ่านไปเท่านั้นแหละ ดีหรือร้ายดีเขาก็ว่าไม่ดีเขาก็ว่าว่าอยู่เรื่อยเต็มโลกเต็มบ้านเต็มเมืองเราก็วางเสียอย่าเอาเข้าเข้ามาหมักไว้ในใจของตนวางเสียตรงนี้แหละละเสียที่ใจนี่แหละไม่ได้ไปละที่อื่นเอาใจนี่แหละละมันจึงใช้ได้นะอย่าไปพกแผนที่ดูแผนที่ดูทิศดูทางจำได้มากๆพูดกันได้ แต่เอาไปทำเมืองไม่ได้นะมันต้องเข้ามาหากายบัญญัติลงที่กายนีบัญญัติลงที่ใจนี้รวมอยู่นี่ละก็ละอยู่ในกายในใจนี่ไม่ได้ไปละที่อื่นนะอดีตอนาคตก็มาละอยู่ที่ใจนี่มันนำมาก็คุบอยู่นั่นหละคุบไปคุบมาก็เดือดร้อนแล้วต้องรู้เท่ามันนี่แหละตัดก็ตัดอย่างนี้แหละ เวลาที่เราทําจิตใจของเราให้สงบแล้วมันก็สว่างหมดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งอดีตอนาคตให้นําออกให้หมดใจเราไปเก็บมาหมดอดีตอนาคตแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยมันต้องทําความพอเวลานี้เราจะทําจิตทําใจของเราวางหมดนั่นแหละอะไรก็เห็นมาพอแล้วได้ยินมาพอแล้ว ทางฝ่ายโลกก็ดีได้ยินมาพอแล้วอย่าเอาเข้ามาหมักใส่ไว้ในใจอีกกงจักอันใหญ่หลวงคือความเกิดแก่เจ็บตายมันกำลังบทบังเราอยู่มันเป็นของจริงเราจะมัวไปหอบเอาอันโน้อนอันนี้มามันก็เป็นธรรมเมาเท่านั้นแหละอารมณ์ก็สัญญานี่แหละสัญญาไปจำมันมาใจเรารับมันมาคิดไปคิดมามันก็เดือดร้อนอีกเวลานี้ เรามาทำความพออะไรอะไรก็ให้มันพอหลงก็พอแล้วโลภ ก, ก็พอแล้วโกรธก็พอแล้วอันนี้เป็นรากเป็นเงาของกิเลสตัณหาทั้งหลายความพอใจก็เพราะตัณหาความไม่พอใจก็เพราะตัณหานี่แหละการตัณหานี่อุปมาเหมือนน้าในแม่น้าลำธารเล็กๆ น, น้อยๆนับไม่ถ้วนไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มสักทีอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนั่นแหละ มันก็ไหลลงไปของมันนั่นแหละอันนี้ตันหามันไม่พอเราจะทำความพอใจอยู่เดียวนี้ทำใจให้ของใสตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในสมาธิเราทำความพออยู่เดียวนี้อย่าเอามาว่าวอีกอดีตอนาคตหมดแล้วดับไปหมดแล้วกวาดออกหมดแล้วตันหานี่มันไม่มีพอหรอกแต่เวลานี้เราจะนาเอาตันหา ความไม่พ อ, อนี่ออกเสียเวลานี้เราจะทําจิตทําใจของเราทํากายของเราให้รู้แจ้งในภายในของเรานี่นอกนั้นปล่อยหมดวางอยู่ที่ใจนี่แหละหละอยู่ที่ใจนี่แหละบนสังขารนี่แหละสังขารมันปรุงมันแต่งมันเกิดมันดับโทษทุกภยัยทุกขังอนิจจังอนัตตาว่าอยู่นี่แหละนี่มันจะจากสังขารมันปรุงมันแต่งขึ้น เป็นนุ่นเป็นนี่อดีตอนาคตมันก็เป็นนี่ตานี่แหละจิตก็นิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้อยู่กับปัจจุบันละอยู่กับปัจจุบันละที่จิตนี่แหละจะไปละที่ไหนจะหอบเอาก็ไม่ได้นะมันเสียเวลาเวลานี้จะทำความพอใจให้หมดทำจิตให้ผ่องใสรู้แจ้งในมรรคในผลในสมาธิปัญญาใจนี่แหละละอยู่นี่แหละวางอยู่นี่แหละ จะไปวางที่ไหนอดีตอนาคตก็วางอยู่ในใจนี่แหละเอาใจนี่แหละละเอาใจนี่แหละถอนถอนเอาถอนเอารู้เท่าอารมณ์นี้มันก็วางหมดอารมณ์มันก็ใจใจมันก็เป็นปกติตามันก็ปกติหูจมูกลิ้นกายมันก็ปกติมีแต่รูปเสียงกลิ่นรสทำมาอารมณ์ทั้งห้านี่ก็ปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมาก็พอแล้ว ไม่ให้มามักไว้ในใจใจมันก็ไม่เดือดร้อนความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้เรามีอยู่ทุกอย่างกิเลสพันห้าปัญหาร้อยแปดมันก็มีอยู่ที่นี่แหละอย่าไปหอบออกมาความหลงมันก็มีอยู่ที่นี่ความโง่ก็มีอยู่ที่นี่อวิชาความมืดก็มีอยู่ที่นี่ของเราก็ถมเถะไปแล้วไม่ต้องเอาของใครมันก็ต้องถอนไปเรื่อยๆแหละเอาใจนี่แหละถอน ที่ร้ายก็ผ่านมาที่ดีก็ผ่านมาผ่านมาหมดใจนี้ก็เป็นกลางมีอิสระเท่านั้นอิสระแล้วใจนี้ก็ัวเรทำทั้งหลายที่ดีก็ดีที่ชั่วก็ดีมันไหลมาจากเหตุคันรู้เท่าเหตุแล้วมันก็ดับอวิชาก็ดับรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดละใจมันสำคัญนี่เหตุมันเกิดจากใจนี้แหละพอละตั้งต้นหัดเอาละ อธิษฐานไว้เวลานี้ได้โอกาสที่ว่างเราจะทำจิตทาใจของเราทิ้งทั้งหมดพอหมดแล้วผ่านมาพอแล้ววางหมดถ้ามีสัจจะจริงกายจริงวาจาจริงใจนะไม่หลงไปตามเขาอารมณ์ทั้งหลายนี่ที่ผ่านมาอดีตอนาคตก็เพราะอารมณ์เราจำมาหมักไว้ในใจมันก็เดือดร้อนทําความพอหมดความโกรธความโรคความหลง ที่มันเป็นเงาเป็นกบแห่งกิเลสทั้งหลายเราจะวางให้หมดละให้หมดกิเลสมันมาทุกด้านความพอใจความไม่พอใจมันก็กิเลสนั่นแหละความรักความชังนั่นก็กิเลสตัวการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่มีที่พอพอละเวลานี้เราจะทำใจให้พอทุกอย่างใจนี้เป็นผู้ละเป็นผู้วางเป็นผู้ถอนหนาะ ใจนี่แหละเป็นตัวเหตุมันจำมาจำมาแล้วก็จะมาคิดมาอ่านแล้วบางทีจะนั่งก็จะมาเจ็บหลังเจ็บเอวง่วงเหงาหานอนมันไม่ได้ทำนี่จะว่าพุโทโธพุโทโธมันก็กลายเป็นทำเมาไปเสียแล้วต้องละอยู่ในใจนี่สางอยู่ในใจนี่ทำความพอใจอยู่ในใจนี่แหละตั้งความศักดิ์จะทำจริงจริงใจจริงวาจาจริงใจเท่านั้นแหละ เมื่อจิตมันละหมดแล้ววางหมดแล้วมันก็มีแต่ดวงใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นลหละแจ้งในพระนิพพานก็แจ้งนั่นแหละแจ้งที่ใจที่เป็นปกติอยู่นั่นแหละถามจิตเทียมมันเป็นอย่างไรตอบจิตเทียมมันก็สังขารนั่นแหละมันสมมติเป็นจิตเทียมนั่นแหละ ความเกิดความดับทุกขังอนิจจังอนัตตามันก็มาจากสังขารนี่นั่นแหละจิตเทียมจิตแท้จิตบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่มีจิตเทียมหรอกละได้แล้วจิตบริสุทธิ์แล้วมันก็สบายเทศนาของหลวงปู่แบวนสุจินโนะณวัดดอยแม่ปังกันที่สองสิบธันวาคม สอง5ห้าร้อยสิบห้าเทศนาภายในเลยมันจึงบหมเทศนาภายนอกนี่มันคล้ายกับแผนที่ตำรับตำราพอปานกับเครื่องกระจายเราต้องเทศนาภายในจะเอาอย่างใดอีกตำรับตำราทางบ้านท่านฟังมาเต็มที่แล้วจะฟังก็ในกายเท่านั้นแหละทีนี้ให้ภาวนาเอากายเป็นมรรคเอากายเป็นผล จะพากันละอุปาทานทั้งห้าอณิจังทั้งห้าทุกขังทั้งห้าอนัตตาทั้งห้าและรูปธรรมนามธรรมนี้วางได้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละวางไม่ได้มันก็ยึดเอารูปธรรมนามธรรมเป็นตนเป็นตัวมันก็เป็นธรรมเมาอยู่นั่นเองพิจารณาสังขารนามรูปที่มันเป็นอยู่อย่างนี้อณิจังทั้งห้าทุกขังทั้งห้าอนาตตาทั้งห้าอุปาทานทั้งห้า มี <PTSD> รูปูปาทานขันโธเป็นอุปาทานที่หนึ่งเวทนูปาทานขันโธเป็นอุปาทานที่สองสันญูปาทานขันโธเป็นอุปาทานที่สามสังขารูปาทานขันโธเป็นอุปาทานที่สี่วิญญาณูปาทานขันโธเป็นอุปาทานที่ห้าแขนคนคว้าอยู่ในท่าสี่ขันห้าวางท่าสี่ขันห้านี้ได้ แล้วละวก็ภาวนาสงบดีรันเวทนาดับลงสัญญาดับลงสังขารดับลงวิญญาณดับลงรูปธรรมส่วนสมมุติเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมวางได้แล้วมันก็สบายจิตก็จะสงบลงชำมระศีนห้าของโนให้บริสุทธิ์ทางตานี้ก็เป็นศีลประเภทหนึ่งทางหูนี้ก็เป็นศีลประเภทหนึ่งนำความผิดออกจากตาออกจากหูออกจากจมูก ออกจากลิ้นออกจากกายทั้งสี่ทั้งห้านี่แหละสีทั้งห้าก็อันนี้แหละนำความผิดความยินดียินร้ายออกจากจิตใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจดทําให้เป็นไปจะเอาพุโทโธเป็นบริกรรมก็เอาหรือจะเอาธํามโมเป็นบริกรรมเป็นมรรคภาวนาก็ได้เคยทํากันมาแล้วกระมังั้นได้พุโทโธพุโทโธนี่เป็นอารมณ์ของจิตใจอยู่เป็นนิด เวลาเอาหนักเข้าหนักเข้าลมมันก็สงบได้เหมือนกันแต่รักษาไว้อย่าให้เป็นธรรมเมาพุโทโธพุโทโธนี่นะพุโทโธพุโทโธกลายเป็นธรรมเมาธ ร, รมโมธ ร, รมโมมันไม่เป็นธรรมโมมันกลายเป็นธรรมเมาไปเสียสังโคสังโคพวกนี้เป็นอารมณ์ของใจให้ดิ่งอยู่เป็นอันหนึ่งนานๆเข้าจิตใจก็สงบลงเป็นสมาธิได้เหมือนกันนั่นหละ รักษาทำเมานี้ไม่ให้เกิดอดีตทำเมาอนาคตทำเมาอดีตก็ล่วนแล้วมันหน้ามาหาเป็นทำเมาอนาคตยังไม่มาถึงก็เป็นทำเมาถ้าจิตดิ่งอยู่ปัจจุบันมันจึงเป็นทำโมอดีตอนาคตเป็นทำเมาแล้วจงรักษาดีๆมีสองอย่างเท่านั้นแหละมันเป็นทำเมานอกจากจิตดิ่งอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นทำโม มันไม่หมุนตามสังขารมาหมุนตามสมมุติแล้วมันก็ใช้ได้นี่ก็พิจารณาจะเอาพุทโธเป็นมร ก, ก็ได้มราวนาหรือจะเอากายเป็นมรพิจารณากายสังขาร น, นามรูปอันนี้ใช้ฉันิิชำนานปูราณท่านหรือสมัยนี้ก็เหมือนกันกุลบุตรทั้งหลายที่มาบวชบรรพชาเพศอุปชาท่านสอนกายนี่แหละเป็นมร เกศาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกษาอนุรมปฏิรมทั้งเบื้องบนพิจารณาตั้งแต่เล็บเท้าขึ้นมาถึงปลายผมเบื้องต่ำพิจารณาตั้งแต่ปลายผมถึงเล็บเทา้านี่แหละเป็นมักเอากายเป็นมักต่อเมื่อใดาวางหมดแล้วไม่ยรูปธรรมนามธรรมเป็นตัวเป็นตนสัญญาก็สงบลง สังขารความรุงแต่งความเกิดความดับโทษทุกภัยอนิจจังทุกขังอนัตตาดับลงวิญญาณความรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บาครู้บุญรู้ผิดรู้ถูกก็ดับลงหมดแล้วมันก็จิตสงบลงได้าการรักษาทมเมานีนา่นะมันมีอดีตอนาคตพุ้มมาอดีตมันเคยได้รู้ได้เห็นจากเคยได้คุยกันว่าเล่นกัน เวลาตั้งจุดพุโทโธพุธโทโธมันจะกลายเป็นธรรมเมาไปสินี่ครั้นเผลอก็เป็นธรรมเมาไปแล้วเมาคิดนน่นคิดนี่อดีตที่เคยเห็นก็นำมาคิดเป็นธรรมเมาไปแล้วพุโทโธที่จะเอาเป็นบริกรรมจะเอาเป็นอารมณ์ของใจก็ไม่ได้มันเป็นธรรมเมาไปแล้วมันปรุงมันแต่งเกิดไปดับไปในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจึงรักษาธรรมเมาไว้ อดีตก็เป็นทำเมาอันหนึ่งอนาคตก็เป็นทำเมาอันหนึ่งจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันตัดตัณหาตัดกิเลสตัดมานะทิฏฐิตัดความยึดมั่นถือมั่นของตนให้เจ็ดลงแล้วก็สงบได้รักษาแต่ทำเมาอันเดียวนี่แหละให้มันเผอก็เป็นทำเมาละขันไ ม, ม่เผอพุทโธธทำโมดิ่งอยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจเป็นมรรคของใจ เป็นที่พึ่งของใจก็ได้อยู่ที่รักษาตัวเดียวเท่านั้นแหละทําให้ติดไปเก็บดิ่งอยู่เป็นนิดทําอย่างนั้นก็ใช้ได้ละ่ะสันที่ทิฐิไปต่อเปล่านั่นก็เป็นธรำเมาแล้วนะไม่ให้คิดไม่ให้นึกมัวหลงเมายศเมาเกียรติไปนั่นเป็นทำเมาอกุศลาทำเมากุศลาทำเม า, า, า, เ ม, ามันตั้งอยู่นั่นแหละอัพยากาตาทำเมา เป็นที่พิจารณากำหนดให้จิตดิงให้จิตสงบดีมันก็ใช้ได้สันสาวเข้าไปให้ถึงอกุศลธรรมเมานี้ความหลงความโรคความโกรธมันเกิดขึ้นละก็มันเกิดกิเลสก็ตัวนั่นแหละตัวหลงตัวโรคตัวโกรธนั่นแหละตัวราคะตัดกิเลสตัณหาความเจ็บความไข้เป็นเงาของคนแห่งกิเลสทั้งหลาย กิเลสทั้งห้าตัณหานับได้เป็นอยู่ที่เจตนาตัณหานี้ความพอใจมันก็เป็นกิเลสความหลงความโลภนี่แหละมันเกิดขึ้นระงับความหลงความโลภความโกรธราคะกิเลสนี้ตัดออกหมดแล้วดับหมดแล้วความหลงความโลภนี้เราก็รู้แจ้งได้นี่ น, ะวญญ า, า, นาวิญญาที่สังขารอวิญญาี่สังขารส่วนอันเป็นกุศล อกุศลทรมานี้เราระได้วางได้นี่นะปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารแต่งให้เป็นบุญเป็นกุศลแต่งให้เป็นทานไปได้นี่อกุศลาทรมานี่มันแต่งมาให้โลภให้โกรธให้หลงแต่งมาให้ราคะให้กิเลสบังเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราเมื่อมาละมันให้หมดได้มันก็เป็นธรรมโมรันละไม่ได้ มันก็เป็นธทรรมเมาอากุศลาท ร, รมเมานี่เมาโลกเมาหลงเมาโกรธไปทุกคนทุกแห่งนั่นแหละเป็นเจ้านายของกิเลสทั้งหลายกิเลสตัณหาพยายโอคะการเมโอคะก็อันนี้เพราะว่าโอคะทิฏฐิโอคะก็อันเดียวกันนี่แหละเอวิจาโอคะดับหมูนี้ได้หมดก็เออสบายอกสบายใจ บริจรมพุทธโธไว้ให้สงบเป็นอารมณ์เดียวทําให้เคยละก็ไม่ได้เขียวละมันกลายเป็นธทำเมามันเคยเม า, ม, เ ม, ามันเมาคิดอดีตนั่นแหละมันคิดขึ้นปรุงขึ้นแต่งขึ้นในเรื่องของสังขารความเกิดความดับโทษทุกข์ภัยอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของสังขารเข้ากับสภาพแล้วแล้วก็เออเป็นทำเมาละคราวนั้น ให้พิจารณาไกา่นี้ให้มากยิ่งยิ่งขึ้นในขันทศสมบัติเป็นบินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมธาตุทั้งสี่ที่ยึดอยู่นี้เวทนา ส, าสาัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นนามนธรรมนามธรรมเกิดขึ้นแล้วมันลืมตัวนะไม่รู้หรอกสังขารนะ่ะนามนธรรมอันนี้มันปรุงทีแรกปรุงทั้งบาปปรุงทั้งบุญปรุงทั้งผิดทั้งถูกทั้งดีทั้งชั่วถ้าไปหลงตาม ก็เป็นธรรมเมาล่ะครั้นไม่หลงก็เป็นธรรมโมเมื่อละความโกรธความหลงสิ้นไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมโมอยู่เป็นนิสส่วนพิจารณาสังขารนามรูปนั้นคงแค่เป็นเหตุที่ว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาพยากตาธรรมมาอพยากาตาธรรมมากุศลธรรมมากุศลธรรมอกุศลธรรมมา อากุศลธรรมนี้เราแต่งเอาไว้ได้แต่งให้เป็นบุญแต่งให้เป็นบาปแต่งไม่ให้โลภแต่งไม่ให้หลงแต่งไม่ให้โกรธแต่งไม่ให้ราคะกิเลสบังเกิดขึ้นใช้ได้ครั้นแต่งไม่ได้ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของความหลงความโลภแล้วก็ใช้ไม่ได้ล่ะเขาแต่งเราหนาครั้นในแต่งเราละก็เราเดือดร้อนหนาความหลงความโลภความโกรธ นี่เราแต่งได้ปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารเราแต่งให้เป็นบุญกุศลได้อปุญญาพิสังขารเราแต่งบาปให้เกิดแก่จิตใจของเราได้มันก็จะเป็นธรรมเมาอยู่เป็นนิตรละเข้าใจแล้วนะทำเรื่อยๆสมควรแล้วละเอาหนักเกินไปเป็นธรรมเมานะธรรมเมานี่ลำบากนะ มันเอาเรื่องมาแต่เด็กจำบัโนโู่นเวลาตั้งขึ้นมันเกิดมาแต่ไหนไม่รู้มันทำเมานี่มันสำคัญพอเผลอขึ้นมาแล้วมันเมาคิดเมานึกไปเสียแล้วเอาละสมควรอย่าเอามากมายเลยเอาทีละน้อยให้มันรวมเข้ารวมเข้าเถอะรวมเข้าแล้วเป็นเอกคตาได้เป็นดีนะนักปฏิบัติ ต้องเอาให้หนักกว่าธรรมดาทำใจของตนให้แน่วแน่มันจะไปสงสัยที่ไหนก็ของเก่าปรุงแต่งขึ้นเป็นความพอใจไม่พอใจมันเกิดมันดับอยู่นี่ไม่รู้เท่าทันมันถ้ารู้เท่าทันมันก็ดับไปถ้าจี้มันอยู่อย่างนี้มันก็ค่อยลดกำลังไปตัดอดีตอนาคตลงให้หมดจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันและในปัจจุบันทาในปัจจุบัน จงในปัจจุบันบารมีต้องสร้างเองหลวงปู่แหวนถามพากันมาลำบากลาบนมากันทําไมคณะญาติโยมตอบต้องการมา ก, ากราบบารมีของหลวงปู่หลวงปูแหวนบารมีต้องสร้างเอาเหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดกก็ต้องหมั่นบํารุงรักษาไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่น ต้องไปปลูปบใบบํารุงต้นมะม่วงของตนเองการสร้างบารมีก็เช่นกันต้องสร้างต้องทำเอาเองจบเรื่องสติสัมปชัญญะต้องตือ่นอยู่เสมอ